เอาออกทิ้มไปบ้านเราจะได้สดใสเสนียจันไร่จะต้องให้ดีเพรวาะจะลงรักษาเสนียจะมาะบ้าสำหรั บ, ครบเคสวันนี้ก็พ่อแม่งลูกเป็นคนจีนมีลูกด้วยกัน6คนจาย3หญิง3พ่อเป็นคนดีแต่มีปัญหากเจ้าของงานที่พ่อทำงานด้วยนี่แปลกนะ พอมีปัญหาพ่อก็เลยหันมาดื่มเหล้าเมามายจนไม่ได้สติมันแปลกนะดีใจก็ดื่มเสียใจก็ดื่มพอเมาก็จะตีแม่ดีใจก็ไปนรกเสียใจก็ไปนกรกตีพี่ทั้งห้าคนแต่ไม่ตีลูกลูกที่นี่คือผู้ส่งเคสตี้เพราะลูกเป็นน้องสุดท้องต่อมาพ่อกเสียชีวิตด้วยโรคฝีที่คอ พี่สาวคุณโตพูดเสมอว่าลูกโชคดีพ่อตายตอนลูกอายุสามขวบลูกเลยไม่เจอมือเท้าของพ่ อ, อครับแม่เป็นอัมาพาตครึ่งซีขยับตัวได้ครึ่งตัวต้องให้อาหารทางสายยางลูกดูแลแม่แบบสุดชีวิตหมอให้อาหารวัลสามเวลาแต่แม่ทานเก่งลูกจึงให้ทุกสี่ชั่วโมง ทกว่าลูกต้องนอน ต, อ, ตอนตีสามครึ่งตื่นเจ็ดโมงเช้าจนกระทั่งแม่สิ้นใจ oh. ช่วยที่ท่านป่วยลูกเองก็สวดคาถาจินนบัญชรตอนเช้าก่อนแม่สิน้นลูกนั่งสับ ป, ปรกเห็นหุ่นขี้ผึ้งตัวหนึ่งถูกมัดด้วยด้ายสายศิลของฝันไหมเนะี oh. ่ยเขานั่งสับ ป, ปรกเนี่ย oh. ฝันไหม oh. ลูกคิดว่าต้องมีใครมาทําอะไรกับแม่จึงลูกขึ้นสวดมนต์ทุกบทที่รู้จักอ oh. แล้วเขาที่สุวนบุญให้แม่หมดไอแม่ไปดีและหลุดจากมีดดาบคาถาอาคมคขณะใกล้หมดลมลูกบอกแม่ว่าแม่เป็นคนดีทางไปสวรรค์ไม่นานแม่กสิซิหลมโดยสงบสะอาดใบหน้าท่านยิ้มแย้มคือพอละโลกใบหน้าท่านยิ้มก่อนจะเผาได้เปิดโลมาดูยังเห็นรอยยิ้มแจ่มใสประทับตาประทับใจอยู่เสมอ ลูกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งทําหน้าที่ผู้นาบุญด้วยกันในวันสลายล่างคุณยายได้ช่วยกันไปผู้นํารถจัดรถมาสิบพักคันอบอกบุญอะไรเพื่อนคนนี้ก็จะทําหมดทุกบุญบแล้วจะมาวัดเฉพาะงานบุญใหญ่เพราะทางบ้านเขาไม่เห็นด้วยแต่เขายังมาช่วยลูกทําหน้าที่เขาได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมภายในหนึ่งเดือนครับที่ทราบข่าวว่าเป็นเนื้อร้ายนี้พอทราบข่าวาเป็นเนื้อร้ายหนึ่งเดือนนั้ก็ละโลกเลยครับ เขารักบุญทําบุญมาทุกบุญก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลูกจะไปเยี่ยมแล้วบอกให้เธอนึกถึงหลวงปู่คุณยายครับเธอก็พยายามยกมือพนมลูกบอกให้ไปอยู่ชั้นดุสิตบุรีรแต่เธอบอกว่าเขา อ, อยู่แค่ชั้นที่สามสักพักก็หมดลมอย่างส ง, งบเออดีเหมือนกันน้ำมีดต่อรองได้ฮบอกให้ <laughs> <laughs> ไปยั้นสิแ <laughs> มเ่เอาไปแค่ชั้นสาม <laughs> ลูกได้รับหลานสามคนที่พ่อกับแม่เขาเลิกกันเอามาเลี้ยงเอาไว้ต่อมาหลานคนเล็กตกน้ำตายตอนอายุส1บอ็ดปีหลานเขาโตถูกรถชนตายตอนอายุ16บหหลานสาวที่เหลืออยู่คนเดียวก็หนีออกไปโอ้โหโอ้หมดกังวลเลย หนีไปหมดครับคำถามก็พ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะแม่ลูกตายแล้วไปไหนทำไมตอนตายจึงยิ้มสวยครับลูกทกํากรรมอะไรมาคะจึงต้องมานั่งเลี้ยงหลานทำไมหลานั้งจากไปทั้งสามคนคหลานจากไปกับเพราะเขามี ว, วิบากกรรมของเขาจ้าแล้วเราก็ปลอดกังวลที่เลี้ยงหลานกับเพราะว่าสงสารหลานเลยเอามาเลี้ยง เพื่อนลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะทำไมลูกจึงถูกพี่ชายทุบตีลูกจะหมดหนี้สินและหมดกรรมเมื่อไหร่หมดหนี้สินตอนที่ใช้เขาหมดนั่นแหละแหมไม่น่าถามเลยหมดกรรมเมื่อไหร่หมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิบาก ถ้หมดกิเลสแหะถึงหมดกันเขาถามบางเงี่ย <laughs> เหมือนนาอมิถามแม่ก็ฝากมาถามว่าหลวงพ่อถามแม่ถามว่าเมื่อไร่แม่จะรวยรแม่จะรวยตอนที่แม่มีเงินเยอะๆ <laughs> <laughs> นาอ ม, มิบอกหนูงงเลย <laughs> สาวน้อยห้าขว บ, บ <laughs> พ่อตายแล้วยุ4สี่สิบห้าปีด้วยฝีที่อคอ ตายแล้วก็ดิ่งไปมาหาเนาลกขุมหาทันทีด้วยกรมดื่มสุราครับกำลังโดนนายนิรยบาลรุมกันจับกรอกน้ำกรดสีดำอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในขุมนี้อีกยาวนานมากครับนานดีๆนะลูกนะหกพันกว่าล้านล้านปีมนุษย์ที่อายุสั้นเพราะกรรมในอดีตเคยด่าว่าบิดามารดาเลยเป็นฝีที่คอครับ และก่อรกรรมดื่มสุราในปัจจุบันด้วยทั้งสองกรรมมรมกันจึงทำให้อายุสัน้นต้องทำบุญทุกบุญและปฏิบัติทําให้เขาถึงพระธรรมกายจึงจะไปช่วยพ่อได้อย่างที่คุณยายจารย์ไปช่วยพ่อล่ะจ้าแม่ตายแล้วยิ้มสวยเพราะแม่เห็นคตินิมิตของตัวเองท่านเห็นตอนใกล้จะตายท่านเลยยิ้มตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศสตวา มีวิมานเป็นทองสวยงามจำได้มยอากาศเทวามีวิมานสูงกว่าพื้นโลกหนึ่งยดสิบหกกิโลเมตแม่ตายเพราะหมดอายุไขไม่ได้โดนคุณใสอย่างที่คิดคุณใสนี่จะไปสนใจนะลูกนะทำคุณน่ะให้ใสใสเนี่ย ใจใสๆและคุณจะใสครบับความใสนั้นจะมีคุณสําหรับคุณนั่นแหละแม่เรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ต้องไปแล ะ, แ ล, ะลึกนึกถึงเรื่องนั้นเลยนะเจ้ที่เป็นอวบอ้เครื่องซีกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันเพราะกรรมที่เคยไปสนับสนุส น, นให้คนกินเหล้า ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นแจกเหล้าข้ามังซื้อเหล้าให้บ้านทำกับแกล้มให้บ้านเศษกรรมนี้ก็ทำให้เจอแต่คนขี่เมา<อ>คนเมาเหล้าขาดสติเจอทั้งพ่อขี่เมาพี่ขี่เมาเพื่อนขี่เมาคนเมาเหล้าแล้วขาดสติจะทำบาปอะไรก็ไดทั้งนั้นเลยจ้ะ ส่วนเพื่อนในเห็นกตินิมิตของตัวเองเห็นบริวารมารอรั บ, รบนำราชรถมาบุญในตัวก็บอกว่าไปอยู่ได้แค่ชั้นสามคือชั้นยามมา<อ>เพราะฉะนั้นจะไปบอกให้เขาไปเดือดริษณ์ในหะ้เขารู้ตัวเขา<อ>บุญในตัวเขาสอนเขาที่เป็นประเด็งที่เต้านมก็เพราะกรรมกามีเจ้าชู้ในอดีจา้านี่ก็เคสสติย่อๆสาหรับวันนี้